พระพุทธศาสนาไม่ทำคนให้อ่อนแอแต่ว่าทำคนให้เข้มแข็งให้อดทนให้ควบคุมตัวเองได้ให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้